รับชร הל ي صدر ิวยัสรลิอัมลิวะพลอัคด ن ต์มิลิสานิย قه قوله اللهم u m um m inn um inn in a INNA NA n a s رضا وجنّة و ن ع و ز بك من سخطك والنار اللهم u ن ا ن س n n ا NA n a s ع ِ ن م ا ف ي ا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلا يا رب العالمين السلام عليكم و ر ح م บ الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอสซุบฮฺานหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนาพร้อมกับอ่านกุรานเรียนรู้กุรานทุกๆ ท, ท่าน อัลฮัมดุลิลละชุโกตอลลอซุบฮาานะหัวตาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันมีโอกาสได้มาตักตวงคุณงามความดีกันและแน่นอนนะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำอิชัลลอฮ์นั้นถือว่าเป็นการงานของชาวสวรรค์ก็คือการเรียนอุรอาน พเพาะถ้าเรสุลลาะสุลลาะฮวยและฮิวสันแลมบอกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่สเจ้าก็คือคนที่เรียนกุรานและคนที่สอนกุรานดังนั้นอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราก็มาเรียนกุรานกันในสุร้อัลมาอีดะซึ่งเป็นสุระอนลำดับที่ห้าสุระอนที่5อัลมาอีดะและก็อยู่ในยุสที่ห อายะที่สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าครับผมวะอีวะอนีฮกุมับานาฮุมบีมาอั ล, ล, ละลสี่สิบเก้าเพราะครั้งที่แล้วเราอ่านสี่สิบแปดไปแล้วนะครับแตนะก็เริ่มที่สี่สิบเก้าเป็นต้นไป แล้วก็วันนี้ขอออกตัวสนิดหนึ่งนะถ้าอาจจะแบบเบอร์เบอร์หน่อยก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าเมื่อวานดึกเมื่อวานไปคลองยี่สิบกว่าจะกลับมาถึงบ้านอเผื่อเวลาหลงด้วยนะก็สามไม่ใช่สามสี่สามทุ่มออกมาจากนู่นสี่ห้าทุ่มนะห้าทุ่มกว่าจะได้นอนเที่ยงคืนนะฮะเมื่อวาน ตั้งแต่เช้าเ ย, ย็นเลยสามสี่งานนะครั <c oughs> หนึ่งไร่พอดีกีบอกหนึ่งไร่พอดีวันนี้ทำดีแลมีแค่นี้แล้วก็มีสอนหนังสือตอนบ่ายมีแค่นี้แต่ว่าอาทิตย์อีกสี่ห้างานวัอาทิตย์เยอะมากแต่เช้ายย อ, เ, อ, เ, อเคยขับได้ยอเคยขับแล้วก็ตอนตอนนี้ยอไม่ขับแล้วจะยอเป็นคนนั่ง อ๋อยอย อ, ยอเคยขับทีแล้วทำสีใหม่เลยนะ <laughs> อัลฮัมมุดีละนะครับเดี๋ยววันนี้เราเรียนกันต่ออายะที่สี่สิบเก้านะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ซ ah ูรออัลฟาติฮะกันก่อนออาุบิิมีนนชยร ب ิ سم الله الرحمن الرحيم ا ل ح a m d ل l i l l a h i l l a h i l a l a m i n a l r a h m a มัลกิยามิดดินอียา كنعبدوا อียา كنأستعين إهدينا السيراتالمستقيم สَ ا ط َ الذين َ أنعمت ََ عليهم ََ غير المضوب عليهم َ ولضالين ال َ อายาที่ <c oughs> 49นะครับนะอู๊ดุบิลลอฮิมินัชชัยนิรจิม ว่าอันอิ حك ุม بينهم بما أزل الله อีกรอบหนึ่งนะ และอานิพกุมไบหนาหุมบีมาอัลลอฮฺและอานิพกุมไบหนาห ز َ ل َ ا ل อَลลอ و َ ل ล ا ت َ ت ตّ ب ต ع ม อัลฮอัฮ ah um, ุมวะฮ์ด ah um, ุมวะตัดบิอัลฮุมวะฮ์ดารุมตรงนี้นะตรงวะลาตัดบินะบิอะตัวนี้ตัวหายใหญ่นะพ่นลมมาเลยอวะอัฮุมวะ ตัวนี้ตัวพาลกว่าดารวรุมตัวแดนไปลินนะครับดารหุมว่ลาตับีอ่ะว่าหุมว่าดารหุม อ้ายฟติโนกัมบางดิมาอัลล ا ل ล ه ฮุอิลัย ك มีตัวกรอยู่ข้างหลังด้วยนะถ้าเราไม่พ่นลมถ้าปล่อยให้หายไปก็จะไม่มีตัวกราฟเช่นอีไลอย่างนี้เฉยกลายเป็นมีฮาเพิ่มอีกต้องมีกราฟอยู่ข้างหลังอีไลมีพ่นลมข้างหลังนี่นะอีไลอีไลฮะมีตัวกราฟเป็นตัวสุดท้ายนะครับพ่นลมอย่างเดียวนะเงี้ยนะ ไอ้ฟตินนกับบางَิมาอัลลอฮุอิลัย فإن ت و َ ل و فعلم أنما يريد الله فإن วَลลอุฟะลัมแอนน ا แมยูริดุลลอห์ว่าอินทัวัลลอุฟะลัมแอนน์แมยูริดุลลอห์ไอย يصيبهم ببعض الذنوب ِ ه م وإن كثيرا من الناس ِ ل ف س ق و ن อาฟาฮุกมัลจ اه ิลยะทียบะกุนไอรอบหนึ่งนะตรงนี้นอะอ่านเข้าไปเลยนะครับมัลจ ا ฮิลียะ ل ะยาจ اه ิลี ي ะติยาบักกุนนะอัฟมะล اه ิลียะติยาบัก ว m ن n أحسن من الله حكم الملكو مين قانون อะมาดูความหมายนะครับ จากอายะที่48ย้อนความสนิดหนึ่งว่าอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาแลเนี่ยได้ประทานคำพีลงมานะซึ่งคำพีเล่มนี้ก็หมายถึงคำพีอัลกุรอานแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้เล่าถึงคำพีที่มาก่อนไม่ว่าจะเป็นคำพีของนบีมูซาคำพีซะบูร์ไม่ใช่ซะบูร์ดิ ขบีเตาร้อนขอโทษทีเตาร้อนหรือว่าโตรานในในภาษาฮิบรูนะซาบุนาบีดาวุดนะครับแล้วก็คำพีอินจีนให้กับนบีอีสาคำพีทั้งหมดนี้เราต้องศรัทธาและเชื่อว่าเป็นคำพีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาลาแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้เอาไว้ด้วยว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยคำพีเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการแก้ไขมีการสังขยานานะดังนั้นสิ่งที่เราจะยึดถือได้ณนะปัจจุบันมีคำพีเล่มเดียวก็คืออัลกุรอานอัลกุรอแอนุนแกรีเพราะคำพีอัลกุรอานนี้เป็นคำพีที่ไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิน้นและอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาละพระองค์คือผู้ทรงรักษาคำพีนี้ดังนั้น ไม่มีใครพี่น้องที่จะที่จะลบกุรอานไปจากหัวใจของพวกเราได้เว้นแต่ตัวพวกเราเองที่ไม่สนใจจะสังเกตได้ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่ไหนที่มีมุสลิมก็จะมีเสียงกุราณานเพราะว่าเราถูกกําหนดถูกบัญญัติให้ใช้กุรอานในการทําอิบาร์ดาอย่างน้อยมุสลิมทุกคนต้องอ่านฟอดีฮ่าได้เพราะถ้าอ่านฟอดีฮ่าไม่ได้ละหมาดไม่ได้แล้ว เราก็ต้องอ่าน ฟ, ฟาดีฮ่าได้แล้วฟาดีฮาเป็นกุอาญชัยไหมล่ะก็เป็นกุฎาญ น, นะแต่ที่เหนือกว่านั้นก็คือเราต้องอ่านได้ทั้งเล่มนะพี่น้องนะไม่ใช่อ่านได้เฉพาะฟาติฮ่าอย่างเดียวผมพูดถึงอ่านนะครับขณะนี้เรามีของดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องเอามาใช้อัลลอฮ์จึงบอกในอายะฮ์ที่49บอกว่าฟาอานิกุ่มไบานาฮุมบีมาอันซาละลอห์และเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขา ด้วยสิ่งที่อัลลอ์ทรงประทานลงมาเถิด น, นะนั่นก็หมายถึงกุรอานนั่นเองบิมาอันซาลลอห์เวลาตัดแตบิฮ์อห์วะอะฮุมและจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ไฟต่ำของพวกเขาตัวนี้หมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่ตรงข้ามกับกุรอาน อะไรที่ตรงข้ามกับกุรอานอะไรที่สวนทางกับสุนนะของท่านนาบีสวนทางกับคุรานนั่นคืออารมณ์ความใคร่ของมนุษย์อาจสังเกตไหมละ่ะถ้าอะไรมันสวนทางกับกุรอานเนี่ยเราไม่เอาและกุรานแสดงว่าเราเอากําลังเอาอารมณ์ไฟต่ามาครอบงำดังนั้นหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องข่มอารมณ์ของตัวเองและปรับอารมณ์ของตัวเองเนี่ยให้สอดคล้องกับอันกุรานไม่ใช่เอากุรานมาแปลให้สอดคล้องกับความต้องการตัวเองไม่ใช่ เราต้องปรับอารมณ์ของเราเนี่ยให้เข้ากับกุฎานไม่ใช่ใเอากุฎานมาเข้ากับเรานะเพราะกุฎานนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานาะหัวตาล่ส่วนอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็แปรปวนไปตามสถานการณ์คุ้มดีก็ดีไปวันไหนคุ้มร้ายมากับใครไอก็ถือว่าหาเรื่องแล้วนะแค่ไอก็มีเรื่องแล้วนะเออมนุษย์เราเป็นอย่างนี้อา้าวต่อมา และจงระวังพวกเขาในการที่พวกเขาจะจูงใจเจ้าให้ถีออกจากบางสิ่งที่อัลลอ์ได้ประทานให้แก่เจ้าอัลลอห์วดบัรอายะนี้พี่น้องนะวะดรดฮุมอัลลอฮ์เตือนนะระวังนะพวกยาฮูดพวกนาอรอเนี่ยมันจะหาเล่กลอุบายต่างๆให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่เป็นมุสลิมที่มีกุรานเนี่ย เฉใช้จากอันกุรานและก็ไปเอาอย่างอื่นมาเป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อวานฉันได้พูดถึงเรื่องหนึ่งที่อันตรายก็คือการเยอะหยันศาสนานะการเยอะหยันศาสนาโดยที่เอาความคิดนะแล้วเราคิดว่าความคิดเนี้ยเป็นความคิดของคนสมัยใหม่มองว่าศาสนาเป็นเรื่องล้าหลังมองว่าศาสนาเป็นเรื่องโบราณรุ่นยอ่อรุ่นมะเนี่ที่เขาแต่งงานกันในโบราณรุ่นใหม่เนี่ต้องอยู่ด้วยกันก่อน ต้องใช้ชีวิตด้วยกันก่อนถ้ารุ่นย้อนนี่ไม่ได้นะต้องแตง่งแล้วก็ใค่ไปลองผิดลองถูกเอาและคําพูดของเขาเนี่ยดูดีนะถ้ามุตตะคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยเออเฮ้ยมันน่าจะได้นะขนาดของเนี่ยเรายังเอามาใช้ก่อนได้นะล้วทำไมล่ะถ้าเกิดใช้ไม่ถูกใจแล้วก็ไปคืนใช่ไหมสินค้าเนะี่ยเยอะแยะเลยรับประกันถ้าไม่คืนถ้าไม่พอใจภายในเจ็ดวันยินดีคืนเงินเอออันนี้คนนะมันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้า เออดังนั้นมันมีเสียหายพี่น้องดังนั้นในิสลามไม่ได้ถ้าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต้องนิกาแต่ถ้านิกาไปแล้วแล้วเกิดมีปัญหาศา ส, สนาก็มีทางออกถ้าปรับปรุงแก้ไขไม่ได้หนทางที่ตัวเ ข, เขาเรียกว่าแยกทางกันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ไม่ใช่เอาคำพูดของสิ่งที่มันตรงกันข้ามก็คืออารมณ์ไฟต่ำนั่นแหละมาบอกว่าอ๋อมันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะต่างคนต่างยินยอมพ่อแม่ก็รับรู้ มาอาศัยอยู่ด้วยกันถ้าดีกันอยู่ด้วยกันค่อยแต่งงานและพี่น้องจะเห็นนะอันนี้เป็นผลสํารวจเลยนะใครที่เปลี่ยนคู่นอนมากกว่าไม่รู้ตมจําไม่ได้ตัวเลขห้าหรือสิบไม่รู้ถ้าผู้หญิงที่เปลี่ยนคู่นอนนะหมายถึงว่า ไ, ได้แต่งงานนะก่อนที่จะเป็นตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเคยเปลี่ยนคู่นอนเรื่อยๆเป็น10บคนน่ยสิบคนอัพอจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ ไปแต่งงานและหาดีไม่ได้เอออันนี้เป็นผลสำรวจที่ออกมาอันนี้ไม่ใช่มุสลิมสำรวจด้วยนะเขาไปสำรวจเลยไอ้คนที่ชีวิตเละเทะไม่สามแต่งงานก็เลิกเนี่ยเพราะไอ้ก่อนหน้านี้ที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยบางครั้งใช้ชีวิตแบบยังติดอยู่อารมณ์ไฟต่าแต่ถ้าเกิดตัดไอ้อารมณ์ไฟต่านั้นออกไปทั้งหมดและเอาอิสลามเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ได้ เพราะคนส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนคู่นอนเป็นสิบคนเนี่ยพอกลับมาแต่งงานก็ยังชินอยู่กับระบบเดิมใช่ไหมเนี่ยแล้วมันทําให้ครอบครัวไม่สําเร็จเลยไ ป, ไปดูได้อันนี้เป็นอันนึงที่เขาสํารวจมาแล้วฉันก็ถึงบางอ้อเลยอ๋อมันเป็นแบบนี้เองนะอิสลามสอนนะถ้ายิ่งเป็นคนเดียวรักเดียวใจเดียวด้วยไม่เคยมีใครแล้วก็มาแต่งงานกับบางเป็นคนแรกเนี่ยสังเกตเธออยู่ด้วยกันยันตาย่คนเดียวซึ่งของคนเดียวของกันและ ก, กันนะอยู่ด้วยกันยันตายเลย แต่ถ้าเปลี่ยนคู่นอนมัเป็นสิบเนะี่ยอันตารายมากนะแต่นี้เราก็ไม่ต้องไปถามใครขนาดนั้นนะอันนี้แค่เป็นผลสำรวจเฉยๆอ่ะเอเลอร์บอกว่าระวังนะพวกยาวูดพวกศัตรูอิสลามเนี่ยจะจูงใจให้เฉยเยออกจากสิ่งที่เอาล้อประทานพูดง่ายๆคือให้ออกให้ทิ้งกุรอ่านให้ทิ้งเราใ ห, ให้พวกเราทิ้งกุรอ่านแล้วถ้าหากพวกเขาผินหลังให้เออ เขาไม่สนใจฟาอินตะวันเราไม่มาสนใจเราแล้วตอนแรกก็เออยังให้มาตัดสินอยู่ให้ร่วมแต่ครนี้เขาไม่สนใจแล้วฟาลัมันนามายูดีดุลอหูอั ย, ยูซีบะฮุมบะดีดุนูบิหิมถ้าหาพวกเขาเนะี่ยผิดหลังให้ก็พึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเพียงประสงค์ที่จะให้พวกเขานั้นะให้พวกเขา ประสงค์ที่จะให้ประสบแก่พวกเขาอยู่ซีบุหมายถึงประสบแก่พวกเขาซึ่งบางส่วนแห่งความผิดของพวกเขาเท่านั้นนะหมายความว่าไงพี่น้องสมมติคนที่เราไปสอนอิสลามให้เขามึงไม่ต้องมายุ่งกับกูอะแอบมีนะบางคนเออบาปของกูไม่เดือดอร้อนใครเบาว่าปฏิเสธไม่สนใจนั่นแหละอัลลอะ์ประสงค์ที่จะให้เขาเนี่ยได้รับ บาปของเขาที่เขาทาเอาไว้แล้ววันหนึ่งก็มาเช็ดน้ำตาเออถ้ารู้แบบนี้เชื่อมันจะดีนะเขาก็จะได้เจอในสิ่งที่เขาอะไรที่เขาตัดสินตรงนี้ที่เขาไม่หันเขาแมว อ, อิสลามนะแต่ถ้าเกิดในวันหนึ่งเขากับเนื้อกับตัวหันมารับฟังอิสลามเขาก็จะเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะอา้าวต่อมาเอเลาะบอกต่อว่าและแท้จริงมีจานวนมากมายที่ อยู่ในมนุษย์เนี่ยแกฟี่รอมมีแนนแนสมนุษย์ส่วนใหญ่เลยนะกรซีรอนก็คือมากมายเลยลาฟาสิกูลเป็นยังไงเป็นคนที่ทำความชั่วดังนั้นจึงไม่แปลกนะพี่น้องนะระหว่างคนทำชั่วกับคนทำดีเนะี่ยในสังคมของเราเนี่ยโดยเฉพาะยุคสมัยนี้นะคนชั่วมันเยอะกว่า <laughs> เยอะกว่าเออคนชั่วเนี่ยมีเยอะกว่าคนดีนะมิชฉา่ชีพก็มีเยอะ แต่สาเหตุหนึ่งทําไมเราไม่ค่อยเจอคนชั่วเท่าไหร่เออพี่น้องเพราะเราครบคนดีเออแค่นั้นแหละเราครบคนดีเราก็เจอเลยเลยไม่เคยเจอคนไม่ดีแต่คนที่มันป่าปนไปทั่วเนี่ยพี่น้องนะมันเจอคนไม่ดีเยอะกว่าไม่ต้องอะไรมากเนี่ยคนไปทํางานนอกบ้านที่ไปทํางานสังคมน o n muslim เ่ mus ะจะเจอสักกี่คนที่เป็นคนธรรมะธรรมโมไม่กินเหล้าไปสุบรี เ, ออเพื่อนเราสิบคนเนี่ยที่เป็นนองมุสลิมเนี่ยจะมีสักกี่คนที่เข้าวัดเข้าวา่าเป็นคนที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมจะมีสักกี่คนส่วนใหญ่เข้ า, าพเข้าบาเท่า น, นั้นแต่เวลเาเราจึงบอกไงว่ากาซีรอมส่วนใหญ่ส่วนมากของมนุษย์เนี่ยมากไหมและเกินของมนุษย์ชอบทําความชั่วนะอ่าเอาต่อมาอายะสุดท้ายอายะที่ห้าสิบอาฟะอาฟะฟุกมัลจัฮิลียะยะบาบุกูน ข้อตัดสินสมัยยาฮิลยะกันนั้นหรือแข้อตัดสินสมัยยาฮิลยะกันนั้นหรือที่อะไรที่พวกเขาปาถนาที่พวกเขาปาถนายะบะกุนแปลว่าปาถนาต้องการเอามาใช้ว่ามันอาานันลลอฮฺิฮุกมัลีกามีอยู่กีน่นูนและอัลลอฮ์บอกว่า และใครเล่าจะมีข้อตัดสินที่ดียิ่งไปกว่าอัลลอฮ์สำหรับกูรชนที่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ตรงนี้นะครับมีบทความหนึ่งนะที่เขาเขียนเอาไว้เขาบอกว่างี้ว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าข้อตัดสินสมัยยัยลียะจามาตัดสินกันนั้นหรือละโยนทิ้งกฎหมายของอัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์ทรงปฏิเสธผู้ที่ออกไปจากข้อตัดสินของอัลลอฮ์ ที่ตัดสินคุมไปถึงความดีดความดีทุกๆอย่างและทรงห้ามต่อสิ่งไม่ดีทุกอย่างสิ่งที่อัลลอ์ใช้คือของที่ดีทั้งหมดและสิ่งที่อัลลอ์ที่ห้ามก็คือของไม่ดีทั้งหมดครอบคุมทั้งหมดและทัศนะความคิดที่มนุษย์ได้วางขึ้นโดยไม่พาดพิงไปกับบัญญัติของอัลลอ์เช่นพวกยาฮิลียะที่กระทำตามอารมณ์ไฟต่มของกเขาและอย่างเช่นนโยบายของผู้ปกครอง ก็ดิ้ลเขียนไว้นะตาตามงกุลอ่ที่เข้ามาปกครองรัฐมุสลิมเขาก็เอากฎหมายพวกเนี้มาใส่นะลอกเรียนมาจากเจนกิสคานแม่สมัยนู้นเลยนะแล้วก็มาเขียนรัฐธรรมนูญวางคําสอนต่างๆและก็สอดแทรกนะเรื่องของคําสอนของผู้นาแล้วก็ใส่เข้าไปไม่ว่าจะอยู่ในสังคมยูดาหคริสต์อิสลามจนกระทั่งเป็นกฎหมายที่เราใช้ทุกวันนี้ นะแล้วก็สิ่งสาคัญก็คือว่ามันทำให้ความเคร่งครัดของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเริ่มสมเริ่มอะไรเริ่มถดถอยลงไปแต่เรื่องกฎหมายเนี่ยโอ้โหต้องเรียนกันนะให้หัวทะลุเลยนะเรียนกันหัวมาตานุนมาตานี้แต่พุทอาานไม่รู้แล้วไม่ได้เอามาใช้แล้วนี่นะ่นากลัวนะแล้วสุดท้ายพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเขาก็หันไปใช้กฎหมายของมนุษย์ที่ร่างน่นเละเอามาตัดสิน โดยที่โยนทิ้งกฎหมายของอัลลอฮ์อ่ะอันนึงนะในฮะดิษบทนี้บอกว่าอับบะอับอบะรดุนนาสจบละอิละลอฮิอัล ล, ลอฮฺเจวัจญ์มนุษย์ที่เป็นที่โกรธเกิ้วนะที่อัลลอฮ์ฮะดิษนะคือใครมัลลียะบัตตะกีฟินอิสลามซุนนะตัลจาฮิลียะคือผู้ที่แสวงห า, หาแบบอย่างยาฮิลียะเอามาใช้แทนอิสลาม เอาแนวทางของมนุษย์ที่เขียนขึ้นเอามาใช้แทนอิสลามนะวอตอลิบุดามิลรีอินบีกยรีฮักลีลิยูรีก็ดมะหูอีกคนหนึ่งก็คือบุคคลที่วางเท้าเขาเรียก ว, ว่าพูดเท้าทวงมาทันทีแม่เลือดคือทวงเลือดของคนหนึ่งโดยที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาชีวิตเขาพู ด, ดง่ายๆก็คือว่าไป แก้แค้นโดยไปฆ่าเขาทั้งๆ ท, งที่บางทีเขาแค่อาจจะกวนไม้เฉยบีบแต่กันดูข่าวไหมล่ะ อ, อบีบแต่กันไปบีบแต่กันมานันยิงเลยตายอืมเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นคนที่อัลลอฮ์โกรธที่สุดนะครับ oh. อนี่ก็คือเรื่องของการเอาขุ ก, กลของมนุษย์ที่วางขึ้นเราเรียกว่าญ a h i l i y a ทั้งหมดเลยนะเอามาใช้แทนขุ ก, กลของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาะนะครับ อ, อ่านต่อนะห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามย้ไอ้ยุฮัลทีนาอัมานละตัทธิ์ฮิซยาฮูดวันนาซาร และตั้งที่ดุลย์ยูดาวนาวสารเอวุลียะ อย่าลืมนะฮัมซาอยู่ข้างหลังนะเอาลียะอ่าทายาเฉยๆไม่มีฮัมซาต้องยะอ่ามีฮัมซาอยู่ข้างหลังบาดูฮุมเอาลียะอูบา อกีใช้ได้เลยกีมีเสียงตัวบรอสด้วยบ้าแล้วอัดลมเข้าไปในกระพุ้งแก้มบ้าแล้วก็อัดลมแต่มันไม่ค่อยได้ยินหรอกเพราะมันเป็นอ่านแบบตัวตายเขาเรียกตัวตายไปเร้วมันตายไปแล้วเก็บเสียงแต่มันแน่นถ้าอ่านแล้วไม่แน่นลมปล่อยออกม า, าแสดงว่าไม่ถูกบ้าแล้วอัดให้เสียงแน่นเลยนะ บ้าแล้วก็เอาลมอัดเข้าไปเออมันทฤษฎีพี่น้องทฤษฎีเนี่ยพูดง่ายตันจวีดนะกีฉันอาจารย์แก้มพองอันนี้ลูกศิษย์กีฉันด้วย <c oughs> อ, าาอาจารย์อจยูซุปบินศิลปินปรมาจารย์ด้านตันจวีดก <c oughs> อรี <c oughs> ทฤษฎีกีบอกว่าสอนได้เป็นวันแหละแต่ถ้าเกิดปฏิบัติเนี่ยอืม้ม บางคนเป็นอะไรนะเป็นปีนๆทำไม่ได้เลยทฤษฎีมันง่ายแต่ปฏิบัติยากนะอันไหนหมายถึงตัจวีดเนี่ยถาวางให้ถูกที่ของมันก็ถูกวางไม่ถูกยังไงก็ไม่เสียงก็ไม่ได้เหมือนกับที่อัดลมอย่างเงี้ยอ่าบางคนทำยังไงอาจารย์โอ้ยากนั้นก็ต้องสังเกตนะครับนะเอาแหละแต่ว่าเอาสุดความสามารถนะพี่น้องน ะ, ะบางคนอัดลมเข้าไปกระพุ้งแก้มแแตก เออไม่ไหวเหมือนกันพี่น้องเอาเอ า, เอาพอความสามารถพอดีพอดีจะ้ะอ่าให้ดูป่าคูอันนี้อันนี้คูเลยนะแต่ยูซูปด้วยแล้วก็ครวหวังครัวหวังยังมีชีวิตอยู่นะพี่น้องนะว <c oughs> ันยังวันก่อนคุยกันโทรคุยกันแกดีขึ้นแล้วแกป่วยเน่ยหาเวลาไปเยี่ยมหน่อยนะเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงแถวสวนสยามเนี่ย อโทรคุยกันวันก่อนบอกดีใจฮำดูลินละแกไม่ค่อยไหวแล้วไงแค่ขับรถไปตอนนี้ขับรถไปไหนมาไหนได้ละไอ้อรอบหนึ่งนะบาดูฮุมบาดูฮุมเอาลีย อ, อบุบา ว่าไม่จะวัลِุมมُ م กَุมฟ้าอินหูมินหุมว่าไม่จะวัลลุมมินกุ้มฟ้าอิُ م ูมินหุมตรงนี้นะมิْกุ้ม มินกุมนะ้มแนววงเสียงเพราโนนตายพบก๊บเป็นเอกฟาเมินกุม้มส่วนเฟอินนาฮูมินหุม้มอันนี้อ่านชัดอิสระชัดอ่านชัดมินหุม้มและไม่น่วงเสียงสแสดงว่ามินอันแรกหดวงมินที่สองไม่น่วงเห็นไหมมินเหมือนกันอีอันหนึ่ง่วงอีอันหนึ่งไม่ดวงเลย อ, อันหนึ่งอ่านระหว่างออกฟาอ่านแบบซ่อนอ่านแบบระหว่างอีอันหนึ่งอ่านชัดแอดระวังให้ดีนะนี่ดิจวิด ว่าไม่จะทวแหลมมิมุ่งฟ้าอินนั้นหุ่มมิหุ่ม ดิลกุมัลลอฮิมีนอัลลอฮ์เลียดิลกุมัลลอฮิมีนฟีหิมไว้นะ فَتَرَ ลที่นั่ ي ในหัวใจของพวกเข م َี่รักพวกเขากำลังรีบเร่ง มากครับอีกรอบหนึ่งนะมารอดุยเข้าไปที่ตัวยาเลยมารอดุยยุสารงยูเตรงนี้นะฟ<ร>าตร า, า, าร์ที่นั่นในหัวใจของพวกเขารีา่นั่นในหัวใจของ ي ق و ل و ن َ ن ْ ش ا ء تصيبنا د ا ئ ِ ر ة ن ش ة دا อ, อีกรอบนึงนะกีนาะยากรูยากรูเริ่มตรงนี้แหละคือฉันจะย้อนก็นได้แต่ว่าควรเดี๋ยวลมหมดก็เลยเอาจุดตรงไหนก็ต่อตรงนั้นเลยนะยากรูนะยากรูนะนัชชาตุศิบานาดา อิระยาคูลุนักชาตอัลตุสีบันยาอิระฟสัลัลลฮอ ที่รอบนึงนะ ฟ้าซาลลัลลัฮุอะลัยติยาบิลฟต์ฮิอูอัมริมินอิยดี ُยْบِ ح ُ علام าสรูฟีอัลฟุสิห์มนาดิมิน รอบนึงนะเมื่อกี้ฉันฟยุสบีโฮกีนะแล้วเมื่อกี้ฉันน่าจะกักลมไม่พอหอยรอบหนึ่งหมดลมพอดีอ่าอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็กระชับหน่อยเวลามันยาวๆมีกระชับหน่อยก็ได้เอกระชับคําหน่อยสองมัดยาวๆนะมากับฟี فَيُسْبِحُوا ع َ في ل َ مَا أَسَرُرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ อัลฮัมดุลิลลายาย่ายหนึ่งว่า ي ล و ل ا ل ذ อ ن آ م ن و มากครับนะอ่านแล้วอ่านต่อเลยนะอัลลอีนาอฺซามูบิลลอฮฺจัดอมานิมอินน ahoma กุม Innahum la m a a k u m Innahum la m a a k u m Alang, a y manihim. Ah, k u m k a h i m n a d u he di. Nah, ai ramben. a l l a d i n a a q s a m u b i l l a h i jah dai manihim. Innahum la m a a k u m إنهم ل َ إن م ม ع ْ ق ُ م ْ هَبِيطَ أَعْمَالُهُمْ فَأَسْبَحُ خ َ ا س ِ ر ِ ي ن إنهم ل م ع ْ م ه ب ط َ أ, أ <إن هم S 1> ع م ا ل ُ ه س อ่าอินหุมอีกรอบหนึ่งนะอินหุมและมะกุม habiṭتأعمال ุ همفأصبحواخاصرين มาดูความหมายนะครับสามอายะยาอายุฮัลลาดีนะามานเวลาเริ่มโค เ, เริ่มต้นที่ยาอายุหัลลาดีนาะโมแสดงว่ า, ากำลังจะมีอะไรมีคำสั่งแล้วจะเป็นคำสั่งใช้หรือจะเป็นคำสั่งห้ามนะอันนี้เป็นคำสั่งห้ามเพราะคำว่าลาลาก็หมายถึงอย่าได้อย่าได้ทำอย่าได้ทำอะไร โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าอายุฮลลาเลดน่อามานุละตัดตาเฮดุลยาฮูดวน์นาสอรออลัลเลียผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดเอาชาวยาฮูและชาวนาสอรอเป็นมิตรอัลเลีตรงนี้หมายถึงเป็นมิตรสนิทสนมนะยิ่งกว่าคนเป็นมุสลิมด้วยอีก ตรงนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายต้องดูบริบทด้วยนะไม่ใช่หมายความว่าเราจะมีเพื่อนเป็นคนต่างศาสนาไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างที่เราอยู่เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะคบค้าสมาคมเฉพาะคนมุสลิมอย่างเดียวมันก็ต้องอยู่ร่วมกันเพื่อนบ้านเราเนี่ยใช่ไหมเอ่อมุสลิมกับเพื่อนบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยเป็นมันอาจจะไม่ค่อย เหมือนกับสมัยนี้พ่ออะไรล่ะเพราะมุสลิมเราเนี่ยอยู่กันเป็น ก, ก๊กเป็นเหล่าไม่ไปซื้อหมู่บ้านอยู่หรอกจริงมไหมละ่ะไม่มีแล้วเวลาที่เนี่ยก็ลูกหลานอยู่ทั้งนั้นแหละไม่ให้คนอื่นมาอยู่ด้วยนะทั้งเส้นเนี่ยไล่ไปเลยแต่หัวสะพานยันท้ายสะพานเนี่ยลูกคนโตไล่ไปเลยคราวนี้ลูกคนโตไม่มีไรายได้ทำไงดีก็ขึ้นอาพาร์ตเมนต์ดิอ้าว ก็เอาพี่ที่เหลือจากปูบ้านทำอพาร์ทเมนต์คดีอพาร์ทเมนต์นี่เราจะมีมุสลิมมาเช่าอย่างเดียวป่ะไม่ได้เลี้รวคดีนอนมุสลิมเข้ามาแล้วอ่าพอเข้ามาก็ต้องมีอะไรที่มันแปล ก, ปกบางทีจากไม่เคยเห็นขวดสุราก็เห็นขวดสุราเล้ยวเพลงที่ไม่เคยได้ยินเคยได้ยินเสียงกุฎาน อาจารย์ท่านหนึ่งแกบรรยายเมื่อวันสื่อแกบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าค่าวันศุกร์เนี่ยนะภายเรือกันเนี่ยทุกบ้านจะได้ยินเสียงกุรฎานเพราะค่ำวันศุกร์มาวันพฤหัสค่ําลงเนี่ยตัวกีตัววางเราอ่านกุฎานกันลั่นคลองแล้วสมัยนี้ลองเผื่อผ่านไปดูสินะจะจะเลิกแล้วหรออ๋อจุนวันนี่จะเลิกแล้วอ๋อจะอ้ ะ, จะอ๋อเตรียมตังไว้ก่อนนะได้จ้ะจแล้วเตรียมไว้ก่อนอ้ะฮัมดูลิละจ้ะ สมัยก่อนนิภายเรือเนี่ยได้ยินเสียงกุรฎานสมัยนี้ได้ยินแต่เสียงซีรีส์เสียงการ์ตูนเสียงทีวีลั่นในหมดเมื่อก่อนไม่มีทีวีนี่เราไปทําอะไรล่ะคํามาสุกมาแล้ว่านกุฎาอานกันแต่วันนี้เราไม่ไหว้แข่งอ่านกับกุรอ่านกับทีวีนะทีวีเสียงมันดังกว่าอา้าวคราวนี้ถ้าในบริบทที่มันไม่ได้เป็นศัตรูกันอยู่ด้วยกันอย่างดีเ อ, อเื้อเฟื้อเกื้อกูลกัลกนถามว่านาบีเนี่ย อยู่ดีไปขับไล่ยูออกจากมาดีนะะนะเปล่าเปล่านะตอนเข้าไปอยู่มาดีนนะเนี่ยไม่ได้ไล่สักคนหนึ่งเลยมีแต่เจรจาทําสนที่สัญญาร่วมกันเพราะก่อนที่พอนับีเข้าไปอยู่ที่เมืองมาดีนนะปั๊บเนี่ยอบีทําสัญญารอบหมดเลยเผ่าต่างๆทารับอิสลามเป็นพี่น้องกันทําให้รับอิสลามต้องอยู่กันดีๆนะไม่ทําร้ายกันนะไม่หาเรื่องกันนะไม่เป็นไส้ศึกนะยาฮู ด, ด้วย ต้องร่วมกันสร้างบ้านสร้างเมืองช่วยเหลือกันแต่ไอ้พวกนี้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาคอยที่จะแทงข้างหลังท่านนาบีตลอดหาแผนการที่จะกำจัดมุสลิมด้วยกความอิจฉาดิสยาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่ายิ่งเราไปคบค้าสมาคมกับคนที่เป็นศัตรูเนี่ยอันตารายไม่รู้จะเกิดขึ้นกับเราวันไหน พรามันไม่ชอบเราคนโทษนี้มันไม่ชอบเรามไม่ชอบคินหน้าเราแล้วเราก็เอามันมันมาอยู่ในบ้านใช่ไหมเอาเข้ามาอยู่ในองค์กรเอามาอยู่ทํางานด้วยเหลือไม่พี่น้องไม่เหลือพอมันออกไปเสร็จมันไปไรายงานหมดเลยเอนี่นี่นะบีเตือนเอาไว้บ้าดูฮุมเอาเลียอุบ้าแล้วอัลลอฮ์บอกว่าบางส่วนของพวกเขานั้นเป็นมิอีกบางส่วนรู้ไหมหมายถึง ยาฮูดกับนาซร์เนี่ยดูเหมือนกันไม่ถูกกันนะเพราะว่าไอประวัติศาสตร์นี่มันมันรบกันด้วยแต่พอมีอิสลามปั๊บมันดีกันเลยมันถูกกันเลยเพราะเป้าหมายเดียวของมันด้วยกันคืออะไรคือการทําลายล้างมุสลิมแต่จริงๆเนี่ยในตัวของมันไม่ถูกกันหรอกระหว่างยาฮูดกับนาซรอเนี่ยสมัยก่อนมันก็ไล่ฆ่ากันนะฮิดเลอร์ไล่ฆ่า แต่พอเวลามีมุสลิมปั๊บมันทมามัคคีกันเลยเพื่อจะทําลายล้างมุสลิมมันรวมตัวกันเอาลอจึงบอกว่าบาโดหุมเอาลียาอุบะบางส่วนของพวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกันสาเหตุที่เป็นมิตรกันเพื่อที่จะทําลายล้างอิสลามเรา ว, าาาว่าไม่เอตัลวัละฮุมมินกุ่มฟาอินนะฮุมมินฮุมและผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเอาพวกเขามาเป็นมิตรแล้วไซ แน่นอนเขาก็จะเป็นคนหนึ่งในหมู่พวกเขางงไหมเราเนี่ยเอาเขามาเป็นมิตรแล้วก็คุกคีกันเอลเล่าบอกว่าจริงๆรนะิน่ยแกเป็นพวกเขาไม่ใช่เขา้ามาเป็นพวกเราวันก่อนมีคนเขาบอกแบบนี้บอกว่าทําไมเราไม่คิดมั่งซุนหนีกะชีอ่ะคบกันเรื่องนี้แหละเรื่องเปรตตายนี่แหละเขาก็บอกเฮ้ยทําไมอาจารย์ไม่มองอีกมุมนึ่งล่ะเขาอาจจะมอง ดึงเข้ามาเป็นก็ได้เพราะว่าเวลาเราละหมาดเนี่ยเขาละหมาด ต, ตามแล้วก็ถามว่าแล้วเวลาเขาละหมาดคนเดียวล่วละมละหมาดไม่เหมือนเราอะละหมาดยงไงไม่รู้อยู่อ ย, อยู่อยู่นั้นแหละเป็นสิบครั้งถามว่าทำไมเขาเขาตามเราได้ล่ะก็เขามีหลักปิดบังซ่อนเร้นกรรอัมพางเป็นอกีดาของเขาเขาก็มาเนียนกับเราไอ้เราก็คิดว่าเขาเหมือนเราที่ไหนได้เขาพยายามดึงเราออกไป ไอ้ น, นี่นึกว่าอ๋อมันดีว่ามันละหมาดตามเราแล้วแกตามเขาได้ไหมล่ะตามไม่ได้อยู่ดีมันละหมาดไม่เหมือนกันฉันนึกบอกว่าเวลาจะไปคบคนที่ปองร้ายกับมุสลิมเนี่ยอย่าคิดว่าดึงเขามาไม่ใช่หรอกแกเป็นพวกเขาแล้วเออดังนั้นดูให้ดีนะงนั้นถ้าใครคิดปองร้ายคิดไม่ดีเป็นศัตรูเนี่ยอย่าคิดว่าเออศัตรูจะเปลี่ยนมาเป็นมิตรบางครั้งไอเราต่างหากแหละที่จะถูกกลืนไป แล้วเขาทำเนียนกว่าและอีกอย่างหนึง่งถ้าเราเนี่ยกําลังจะได้ว่าใครสักคนหนึ่งพี่น้องมีคนรู้จักกันนี่แหละมีคนมีมีคนรักเป็นนอนมุสลิมเป็นนอนมุสลิมแต่ตัวเองเนี่ยอิสลามในตัวของเราเนี่ยอิมานของเรายังไม่มั่นคงเลยและไปคบคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็ถามเออเฮ้ยอันตารายเนี่ยไปคบคนไม่ใช่มุสลิมน่ากลัวแน่เราก็เตือนในความความความเป็นเพื่อนก็นกเตือน มันก็บอกกับเราว่าบอกกับเฮ้ยทิ๊ตแกจะไปคิดงนั้นดิกำลังด้าว่ามากำลังด้าว่ากำลังเชิญให้เข้ามาอยู่ในอิสลามนะอุ้ยอะไไปยังอ่ากำลังด้าว่าเชิญชวนให้มันเป็นอิสลามเราก็บอกว่าเออเนี่ยดีนะแต่วิธีการให้ถูกด้วย ปรากฏว่าผ่านไปอีกไม่กี่วันช่วงรอยกระทงไปลอยกระทงกับเขาเฉยเลยตกลงแกไปนเหนียดเป็นหนึ่งเข้ามาแล้วแกไปอยู่กับเขาเนี่ยคําพูดดีไหมเนี่ยที่คบกับนนมุสลิมเพื่อจะได้ไหว้เขาเป็นมุสลิมแต่ไปรอยกระทงกับเขาแล้วอ๋อไม่รู้ไปรวม <c oughs> เออไปถือกระทงร่วมกับเขาแล้วฉันบอกว่า i, เฮ้ยตกลงแกไปได้ไหว้เขาหรือเขามาดึงแกออกไอ้คาว่าได้ไหว้เนี่ยแกต้องมั่นคงนะ และก็ดึงเข้ามาหเห็นสัจธรรมแต่ น, นี่เกย์ ไ, ไ, ไปอยู่กับเขาแล้วไปทําต e ัวเ <It> <erd. S 3> หมือนเขาแล้วบอกว่าดาวะงงไหมพี่น้องเนี่ยเหมือนที่อัลลอฮ์บอกเลยบอกว่าจะไปได้ว่าคนที่เป็นมุสลิมแต่ไปอยู่กับเขาไปร่วมพิธีเขาหมดเลยบอกเนี่ยไปดาวะตกลงเขาดึงเราไปแล้วเราดึงเข้ามาหรือเขาดึงเราไปเขาดึงเราไปเออไปเรียนรู้ใช่ไหมไปแล้วอ่มาดูตัวอย่างหนึ่งนะ อัลลอฮ์บอินนัลลอฮะเละดิลกาอัลลอฮิมีนและอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่คนที่อธรรมอิบนูอบบีฮาติมได้เล่าให้ฟังว่าอุมัดสั่งให้อบูมูซาอัชอารีอันนี้เป็นซ อ, อบ้านอับบีให้ส่งรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายมาไปปกครองที่เมืองเมืองอีกเมืองหนึ่งพออบูมูซาเนี่ยส่งรายงานมา อุมัตประหลาดใจมากกับรายงานคดีรายงานอะไรนะรายรับรายจ่ายเพราะอะไรรู้ั้มเพราะว่าจดแบบละเอียดยิบเลยลงละเอียดมีการขีดตัวแดงเอาไว้อันนี้ได้เอาข้าววางโอ้โหสวยงามครีคนทำบัญชีเก่งก็เลยเรียกเรียกอบูมูซาอาชารีบอกว่าใครเป็นคนทาเนี่ยอ๋อเป็นเสมียนเสมียนคนคอยบันทึกคอยจดเขาเป็นเสมียนจ่ะ เป็นฝีมือเขาที่เขาเป็นทำอย่างละเอียดถี่ถ้วนอุมัดบอกว่าพาเสมียนคนนี้มาสิปรากฏว่าเสมียนเนี่ยอยู่เมืองชามนุนโอ้โหอย่าเห็นหน้าเสมียนคนนี้เพราะจดได้ละเอียดมากตั้งแต่ปวดหน้่นราชาการมาไม่มีใครส่งรายละเอียดแบบเสมียนคนนี้ก็ตามตัวมาจากเมืองชามนุนนะอบุอูมูซาก็ไปปกครองเมืองชามก็พาเสมียนมา ประว่าิมากอดว่ามกอศเขาตวจราชการเนี่ยท่านองคมัติตรวจราชการที่ไหนรู้ไหมตรวจในสุราห์ก็ละมาเดเสร็จปั๊บก็เรียกมาเลยประชุมมั่งอะไรมั่งเพราะสุราห์นี่เป็นศูนย์บัญชาการด้วยพี่น้องนบีก็ใช้สุราห์เป็นที่ทั้งเรียนทั้งปรึกษา ห, าหาหรือมูชาวรอบแม้กระทั่งวางแผนในการรบก็ใช้มัสยิดนะและก็ตรวจงานราชการอบูมูซาบอกว่าแล้วไม่พาเซมีนเข้ามาล่ะนะ ขอโทษดีอุมาถามว่าทําไมไม่พาสเสมียนเข้ามาก็ยังไม่เข้ามาเพราะเขามีเจนาบ้าสมียนคนเนี้ยมีเจนาบ้าอบูมูซาก็ถามต่อขอโทษดิอบูมูซาก็ตอบหรอกอ๋อไม่ใช่ขอโทษดมาเดี๋ยวเล่าใหม่นะเขามีเจนาบ้าเด๋วเขาถึงไม่เข้าสู่เราอุมาถามอบูมูซาบอกเปล่าไม่ใช่ไม่มีเจนาบ้าหรอกแต่เขาไม่ใช่พวกเราก็ เ, าเป็นนาซรอ ที่เขาไม่เข้ามาสู่เราเนี่ยนะเขาไม่เป็นนอซอรอพอเจอเขานั้นเลยท่านอุมัตอุทานขึ้นมาแล้วก็ออกเสียงดังเลยแล้วก็เอามือมาตีที่ขา อ, อนะ่อนบูมูซาปับเขาให้นะแต่ตีเบาๆนะไม่ได้ตีแรงนะตีให้ตื่นตีให้ได้รู้สึกตัวแล้วก็อ่านอาญากรา น, นี้เลยบอกว่าท่านเนี่ยในนี้เลยนะยาอิระดีนะมนูละตัตตะซุลยอหูดาวน์นอซอรอเอาลิยาอย่าเอาพวกนี้มาเป็นมิตร ถามว่าหน้าที่ในการจดรายรับรายจ่ายของเมืองเนี่ยสําคัญไหมอย่างสําคัญเลยนะรู้หมดเลยนะอันนี้กําลังแย่อยู่อันนี้ต้อเอาไปทําอะไรบ้างอันนี้ไปทํากําแพงอันนี้เอาไปสู้เอาไปไว้กองทัพเท่าไหร่รู้รายละเอียดหมดเลยและคราวนี้เป็นอยเป็นนศรรอวันหนึ่งสเกิรส ม, มุติเป็นไส้ศึกออกไปเมืองรู้หมดแล้วจุดอ่ อ, อนจุดแข็งของเมืองรู้หมดแล้วตีเลยตีไปดีขาอ่ อ, อนเบาๆบอกว่าทํ า, า, า, า, าทอย่างนี้ได้ไงขอโทษนะ จะมีความเก่งกาจสนาดไหนก็อย่าใช้พวกนี้เพราะอะไรเพราะโอกาสที่ความลับจะล่วออกไปเยอะคือบางทีเราใช้คนเก่งถูกแต่ถ้าเก่งแล้วทําให้ความมั่นคงมันหายก็ใช้คนธรรมดากระเพราะไม่ต้องเก่งมากหรอเพราะมันเก่งนี่แหละที่มันน่ากลัวพอมันเก่งมากมันล้วงความลับไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นคนที่คิดดีไม่ได้เป็นเช่นใครนะอับดุลลอฮ์บินอุรอยก์ตหรืออรอยกิดอันนี้อนบบีใช้ ดบีไม่ใช่ดบีใช่ท่านอาวบักใช้งานให้เป็นคนนําทางท่านทั้งสองดับีกับ อ, อวบุบักไปเมืองมา ด, ดีนะแต่ไม่ใช่มุสลิมนะเห็น ไ, ไหมบางครั้งใช้คนอื่นที่ไม่ใช่ที่เป็นนองมุสลิมได้บางครั้งใช้ไม่ได้แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าสถานการณ์ที่เป็นศัตรูกันเอามาใช้ไม่ได้คนระเพราะโอกาสที่จะล้วงความลับ เป็นพิษเป็นภัยเยอะแต่ถ้าไม่ได้มีอะไรเลยนะเป็นมิตรกันรักใคร่กันดีใช้งานได้คือเเราต้องแปลให้รู้ด้วยว่าเออแล้วมีไหมที่นบีใช้งานคนที่ไม่ใช่มุสลิมมีทําไมจะไม่มีล่ะก็อูอับดุลลอฮ์บินอุรอยอูรอยก๊อตไงคนนั้นไม่ใช่มุสลิมแต่มีอามานะมากนะเขาตั้งรางวัล น, นบีอูดร้อยตัวเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยขายแล้วแต่นี่ด้วยกับอามานะของเขาถามว่าอบูบักรจังเป็นอูดร้อยตัวปะเปล่าหรอก ไม่ถึงหรอกแต่รับอามานะไว้แล้วต้องพานบพาบับดุลบาบัไปส่งเมืองมดีนาให้ได้เนี่ยคนมีอามานะเนี่ยจ้างได้แต่ความเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะถ้าเอาเกิ่งอย่างเดียวแล้วไม่มีอามานะไม่มีความมั่นคงในศาสนาเขาเรียกในใ น, ในความไว้วางใจได้อย่าใช้สแสดงว่าเนี่ยกิง่งแต่ไว้ใจไม่ได้นะเพราะโอกาสจะล้วงความลับมีเอาต่อมาเยอะต่อมาฟอรตาร์และดีนาฟีกูลูบิหิมมารอด อัลลอฮ์บอกว่าเจ้าจะเห็นบรรดาผู้ที่หัวใจของเขามีโรคอย่างหนึ่งต่างก็รีบเร่งไปอยู่ในหมู่พวกเขาโรคอะไรรู้ไหมพี่น้องเยฮูดี่มีโรคอะไรเงียบเลยรู้ไหมโรคอะไรเออโรคนิฟารกนะโรคกลับกอกนะครับ โลกหน้าไหว้หลังหลอกโรคมุนาฟิกและตรงนี้กำลังบอกว่าคนพวกเดียวกันจะอยู่กับพวกเดียวกันเพราะพวกบูนาฟิกก็คบกับยาฮูดสาเหตุของการประทานอันกุรานอายะนี้เกิดขึ้นระหว่างการผิดสัญญาของกอินุกอกอินุกอเนี่ยผิดสัญญากับนบีพอผิดสัญญาปับ๊บพี่น้องกอยนุกอเคยฉันเคยเล่านะมีสามตระกูล ร้ายกาศที่สุดของยูฮุสก็คือกอยนุกะรองลงมาก็คือนาดีดและก็อัสุดท้ายคือกุรอยซ้อและนบีจัดการกุรอยซ้ออันดับสุดท้ายแต่อันแรกที่โดนก่อนเลยก็คือกอยนุกอเพราะกอยนุกอเนี่มันเหิมเกริมมันท้ารบมันท้ารบกับนบีเลยพอนบีได้ชัยชนะมาจากมาดีนะ่ยมันบอกโอ้ยนบีกองทัพไปสู้กับพวกนี้ไม่ได้เรื่องหรอกถเจอพวกฉันเนี่ยของจริงมันว่าและมันกระท้าทายเลยนะพอท้าทายเท่านั้นแหละนบีก็ปล่อยไว้ก่อน จนกระทั่งมันไม่พอนะมันมีมุสลิมนเข้าไปในตลาดของพวกนี้มาทำไงรู้เปล่ามันดึงผ้าผ้าที่ปิดดึงออกดึงฮิยาบออกพอดึงฮิยาบออกคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันก็ไปช่วยพอไปช่วยเสร็จก็ไปกระทืบไ อ, ไอพ่อค้ายาหุ้นเนี่ยตายแต่แต่คนเดียวนะสู้คนเดียวตาย พอไอ้คนนี้ไปกระทืบยโฮห์ตตายเท่านั้นแหละไอ้พวกยโฮห์ตทั้งตลาดไปไงกระทือบไอ้บางนี่ตายเป็นเรื่องเลยพอเป็นเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องบานปลายกันแล้วแต่สาเหตมุมาจากเขานะ่ยเพราะเขาเป็นคนดึงหิบก่อนแล้ว ม, ม, มุสลิมคนนี้เห็นแล้วก็ทนไม่ได้ก็เลยไปจัดการในคนนี้แต่ลงมือแรงไปหน่อยไอ้นันตายเลยพอไอ้นันตายเสร็จปับ๊บมันจะไหวเลยมันจะปล่อยไว้เลยไอ้พวกนี้กระลุมกระทือบไอ้นี่ตายสองศพเนี่ย เหตุก่อนจะเกิดเนี่ยและหลังจากนั้นเหตุก็บานปลายนบีจึงยกกองทัพไปไปปิดตลาดของพวกเขาก็คือกอยหนุกอแต่ปิดได้ไม่นานพี่น้องไอพวกนี้ออกมายอมมอบตัวหมดทั้งทั้งี่มีกองทัพมีอะครบหมดเลยเจ็ดร้อยคนน่ยไม่ธรรมดานะเจ็ดร้อยคนมีเสื้อเกาะสี่ร้อยกองทัพใหญ่พอกับพวกกุเรสเลยกุเรสพันหนึ่งนี่เจ็ดร้อยแต่มีเสื้อกเกาะมีอาวุธแต่ยอมแพ้พอยอมแพ้เนี่ยนบีจะประหารแล้ว จะปะหารหมดแหล้พราเป็นกบฏแต่คนหนึ่งที่มันเป็นบทบาทของมันคือใครรู้ไหมอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนเข้ามาเจราจาบอกว่าน บ, บีประหารพวกฉันไม่ได้นี่พวกฉันมกกรนี่ฉันเคยเขาเลยนะเคยสู้รบกันมาเพราะว่าย้อนกลับไปสมัยเอากับกออสลอดเคยสู้กันรู้ไหมมันลามปามน บ, บีจนกระทั่งมันเอามือเนล้วงเข้าไปในเสื้อกเกาะ น, น บ, บีพอล้วงเข้าไปในเสื้อกเกาะเท่านั้นแหละเหลาเหลือเหลาเหลืออยู่นั่นแหละไม่ปล่อยเลยน บ, บีบอก อย่าโดนตัวฉันและซอบ้าก็เริ่มมาประกบแล้วนะท่าทางไม่ค่อยดีแล้วแต่สุดท้ายพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายนาะบีลงโทษเพียงแค่ในระเทศเพราะมองดูแล้วว่าถ้าลงโทษแบบขั้นเด็ดขาดเนี่ยเกรงว่าจะคุมสถานาการณ์ไว้ไม่ได้เพราะมันยังเหลื อ, อยูอีสองตระกูลนะถ้าเกิดปะหารไอ้นี่หมดแล้วกับอีสองตระกูลรวมกันอีกคราวนี้นามูนาฟิกอีกและพึ่ง พึ่งก่อตั้งรัฐใหม่ๆและพึ่งพึ่งอะไร พ, พึ่งพึ่งรบมาจากสงครามบาดัตนบีเลยใช้เนรเทศออกไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปเชื่อฟังไอ้มูนาฟิกนี่นะไม่ใช่หรอกแต่มองดูแล้วว่าการเนรเทศก็เป็นการลงโทษอย่างหนึง่งแต่มันไม่ไม่ถอนรากถอนโคสุดท้ายมันก็ไปก่อวอดอยู่ข้างนอกเป็นสงครามคอนดักมาอีกเนี่ยต้องไปดูประวัติศาสตร์ดิความความร้ายของมันนะดังนั้นอย่าเอาพวกนี้เป็นเป็นพวกและคนที่เป็นพวกกับมันคือใครคือพวกมูนาฟิก อ้าเราต้อบอกต่อนะยะคูลูนานักชาอุตสิบานาไดโรโดยกล่าวว่าพอเรากลัวภัยพิบัติจะเวียนมาประสบแกเราอาจเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงนำชัยชนะมาซึ่งนำมาซึ่งชัยชนะเดี๋ยวเดวที่บายฟังฟาซาลอยะติบิฟัดนะอาจเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์จะนํา มาซึ่งชัยชนะหรือไม่ก็นําคําสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งมาจากพระองค์แล้วพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่เสียใจในสิ่งในสิ่งที่เขาปกปิดไว้ในหัวใจของพวกเขาคือเขาบอกงี้คือที่ไปคบกับพวกอะไรนะพวกเอเยฮูดเนี่ยเพราะก็หวังว่าพวกนู้นอาจจะมาพิชิตเมืองมะกาได้หรือพวกมะกาอาจจะมาพิชิตเมืองมาดินาได้ถ้าบรชิตมุสลิมพ่ายแพ้ ป, ปั๊บ พวกมุนะตพวกมุนาฟิกไกยูดก็เป็นไงปกคลองเลยนะคือพูดง่ายๆว่ามันเข้าทั้งสฝ่ายในหละมันก็ดูว่าฝั่งไหนจะชนะถ้าฝั่งไหนจะดูได้ชนะก็อยู่ฝั่งนี้แต่แน่นอนว่าไม่ชอบมุสลิมและสุดท้ายมันก็ปกปิดไอ้สิ่งที่ในใจมันไว้ไม่อยู่ก็ไปเข้าอยู่กับพวกไหนพวกยิวฮุดอันนี้พูดเหมือนมุนาฟิกนะและอายะสุดท้ายอัลลอฮ์บอกว่าไวยากูรุ่นเลดีนะฮะนะอามานูฮาอุละ และบรรดาผู้ศรัทธากล่าวว่าชนเหล่านี้แหละและบรรดาผู้ศรัทธาได้กล่าวว่าชนเหล่านี้แหละฮาอูและคนเหล่านี้หรือคือผู้ที่สาบานต่อหล่ออย่างเข้มแข็งว่าแท้จริงพวกเขานั้นจะอยู่ร่วมกับพระเจ้าการงานของพวกเขานั้นไร้ผลหมายถึงพวกโมนาฟิกเนี่ยที่บอกว่าจะอยู่จะช่วยเหลือมุสลิมคือพวกนี้เหรอที่ตลบตาแรงไปเข้าอยู่กับพวกยาฮูตพวกนี้เหรอ น่ไม่ใช่แน่นอนว่าการงานของเขาเนี่ยฮับบีตอตอะมาลูหุมฮับบตอสนี่หมายถึงอะไรนะกลายเป็นผิวผงเลยถามว่าอันนี้หนึ่งว่ามุนาฟิกมาละหมาดกันนบีไหมพีม่น้องครับมุนาฟิกมาละหมาดกันนบีไหมมาน่ะมาละหมาดกันนบีมาเข้าสุราอุเนี่ ย, ยอุเบศรูนเนี่ละหมาดซูโบกันนบีตลอดแต่บุญไม่ได้เลยสักนิดนึงเพราะอะไรเพราะ ซ่อนความเป็นกูฟอดในหัวใจและก็คอยสนับสนุนศัตรูของมุสลิมเอาเราบอกไร้ผลจะมาละมาจะมาอยู่กับมุสลิมตีเนียนยังไงไม่ได้บุญรักเพราะในใจก็คือปฏิเสธและพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่ขาดทุนนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของการครบเอาศัตรูมาเป็นมิตรนะอิสลามห้ามเด็ดขาดนะครับเอามาทำงานยังไม่ได้เลยเพราะไม่รู้มันจะไปเอาความลับเราไปบอกอยังไง นะแต่ในกรณีที่มีอามานะนอนมุสลิมแต่มีอามานะอันนี้เอามาใช้งานได้แล้วก็ไม่ได้เป็นศัตรูเพศภัยอะไรถ้าใช้ไม่ได้เดยุ่มกันนะนบ่นดองนะร้านมุสลิมเราจะมีคนตําส้มตํำไหมล่ะเออที่ตำส้มตำอร่อยเนี่ยไม่ใช่แขกเราตํานะน้ําเข้าวตำอร่อยเหลือเกินเออต้องให้พวกเขาเนะี่ยมีสองแบบหนึ่งนำข้ามาก็คือมารับอิสลามมุสลิมที่เป็นพลีสานเนี่ยตามงานต่างๆเนี่ย โอ้โหทำไมตํารสชาติดีมากเลยนี่แหละของแท้ออสเซอีอันต่อมาอีกประเภทหนึ่งก็คือจ้างเลยเป็นนอนมุสอันนี้ไม่ใช่มุสลิมเลยนะจ้างมาแล้วก็มาทําแต่คนมุสลิมต้องคอยดูเลยนะครอบคุมนะไม่ใช่ว่าคนคนคนไม่ใช่มุสลิมทําอาหารเรากินไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นเจ้านายต้องควบคุมวัตถุดิบพูดยังไงเขาเอาวิธีการอย่างเดียวแต่วัตถุดิบต้องฮาลานทั้งหมดล้างต้องดูแลทั้งหมดอันนี้เรามาทําได้ นะครับสมมติเรามีเพื่อนคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมตามส้มตามให้เรากินกินได้ไหมกินได้ไมันจะกินไม่ได้แต่ว่าเราต้องมาตามคกเรานาะเตรียมซื้อของให้นาะแล้วก็ดูแลให้หมดและให้เขาตามแต่ถ้าไปกินบ้านเขาอันตรายไม่รู้เป็นยังไงบ้างอันนี้อันนี้เป็นหลักการอย่างหนึ่งนะคือไม่ใช่ว่าเพราะไม่ใช่มุสลิมตามแลกกินไม่ได้เลยไม่ใช่ต้องต้องถามว่าควบคุมไหมถ้าควบคุมกินได้อืมแต่ถ้าไม่รู้ก็ชุบฮัตก็หลีกเลี่ยงดีกว่าแอน นี่ก็คือเรื่องศาสนานะะต่อมาอายะที่ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกยอยุหลวดีนอามานุไมยรตัดดมิกุมอันดีนี เพราะเขาพยายามติดลาหูบิข้าวมีชอบบَ ي ُ ح ِ ب ُّบ ن َ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ยุจ اهدو ในสบิลิลลายุจ اهدو ในสบิลิลลาวะลา يخافونالأو متلايم ذلكفضلالله يطيهما ي ش ا ء ذ ل ك ف ض ل ه ف ض ل ي ه ي ه م ا يشاءواللهواسععلم อินนามาวะลียุคุมุลลาหฮุวะรัสูลุอินนามาวะลิยุคุมุลลาหฮุวะรัสูลุวัแลดีนาอามานุลละดีนายุคิมูนัส และไ ي, ي, ي ่มีใครที่ ي ม่ได้ و ن ะกอบพิธีการ zakat วะหุมราคิยุนัลลิลั ن ุ ل ิมุนัสซาลักะวายุตุนั ا z a و a t วะหุมราคิยุนมุนว อ่ะมาดูความหมายนะครับ ah, ยาไอยูฮัลลาดีนาแมนูอีแล้วนะพี่น้องจะเห็นนะซูรอ้อนมาอีดาเนี่ยมีคําว่า yeah, uh ยาไอหยูฮัลลาดีนาามนูเยอะมากนะครับโอ้บรรดาตศรัทธาชนแล้วทั้งหลายมันแปลว่าผู้ใดผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยยาร์เตดเมิงกุมผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลาบออกจากศาสนาของเขาไป นะฟาเซาวเฟยะติลและฮุบีเกามีอัลลอฮ์ก็จะทรงนําพวกเขามาซึ่งพระองค์เพราะเอออัลลอฮ์ก็จะทรงนําพวกหนึ่งมาซึ่งพระองค์ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์คืออย่างนี้ต้องแปลเป็นภาษาไทยอีกรอบหนึ่งคืออาจจะมีบางคนที่มาแบบ มาด้วยผลประโยชน์หรือมาแบบเสียแซงพวกนี้มันถูกคัดด้วยกับคุณภาพอยู่แล้วคือถ้ามาแบบไม่มีคุณภาพแน่นอนว่าเ ด, วเดี๋ยวมันก็ไปเข้าใจไหมคือมาแบบไม่มีคุณภาพมาแบบม า, มาชิมรางเดี๋ยวสภาพกมันก็นหลุดออกไปพอมันไปแล้วเนี่ยมันจะไปเสียดายมันหรอกไอพวกนี้นะเดี๋ยวอัลลอฮจะทดแทนคนที่จริงกับอัลลมา และมาเขานี้มาดีกว่าเดิมนะพี่น้องจึงสังเกตได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีคนที่ทำหน้าที่เดาว่าเรียกร้องอิสลามองค์กรหนึ่งเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าท่านจะ น, นิก้าแล้วให้ไปหาตรงนั้นแหละส่วนใหญ่พามานี่จุดประสงค์หลักคือนิก้าเข้าอิสลามเพราะต้องการจะแต่งงานแต่ดีตรงไหนรู้ไหมดีตรงที่ว่าเขามีเรียนไง ก็มีเรียนและมีการมอบใบชาฮาดะและก็มีการลงบันทึกเอาไว้แต่เป้าหมายแรกที่มาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการแต่งงานจุ ด, จดประสงค์แรกกับอีกองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่ตอบโต้พวกเอทิสในมหาวิทยาลัย <c oughs> อันนี้โตเลยในมหาวิทยาลัยเลยนะโตโตโตด้วยวิชาการ i s และก็ด้วย ด้วย ก, การออกมาให้ใช้สติปัญญาในการค้นหาพระเจ้าผมดูสติเขาเนี่ยบางเดือนในี่าสิบกว่าคนรับอิสลามและแต่ละคนเนี่ยดีกรีเบียโทเป็นแพทย์เป็นทันตแพทย์เป็นทนายและมาได้รับเพราะจะมาเป็นจะมาแต่งงานด้วยนะรับเพราะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาอันนี้ยังมีคุณภาพเลย พร อ, อะไรล่ะเพราะผ่านการเรียนการศึกษามาอย่างดี ก, งกันกองมาแล้วดังนั้น50สิคนต่อเดือนกับอีกที่หนึง่งที่มารับด้วยจุดประสงค์แต่งงานเนี่ยอนุเนี่ยเยอะเป็นร้อยเลยบางทีบางเดือนเป็นร้อยส0งอแต่สักกี่คนแหละพี่น้องที่จะมั่นคงก็มีเหมือนกันที่หลุดออกไปมาแล้วก็แต่งงานพอเรียนบอได้ชาได้แล้วก็เหมือนกรนะดิ่ฟอโดอีนเลยพี่น้องเอาใบแป ข้างฝาแล้วคนนี้เรื่องอิสลามไว้ก่อนนี่แหละมันเป็นอย่างหนึ่งแต่ในฐานะคนที่ทํางานศาสนาเนี่ยเราต้องต้อนรับทั้งหมดนะจะไปบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่ไม่ไม่จริงไม่ต้องรับไม่ต้องรับไม่ได้ <laughs> หน้าที่ของเราคือต้องต้อนรับทั้งหมดและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงให้เขามั่นคงกับศาสนาใช่คัดกรอ ง, องแล้วทำยังไงให้เขามั่นคงศาสนาพี่น้องรู้ไหมว่าพอเวลามีใครมารับอิสลามกับนบี พอรับเสร็จปั๊บนบีจะส่งซอฮาบะประกบเลยนะเออนบีส่งซอฮาบะประกบเลยบิลาดประกบคนนี้สิเพราะคนนี้ยังใหม่ศาสนาอยู่เป็นพี่เลี้ยงเขาหน่อยสิพอเรามีระบบนี้ไหมล่ะพอมารับอิสลามปั๊บอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงหน่อยนะมาใช้ชีวิตยอยู่กับอาจารย์ดูซิสักวันหนึ่งเป็นไงแทบอยากจะออกเลย <c oughs> โอ้โหวันวันหนึ่งสอนในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะ มันต้องมีพี่เลี้ยงประกบเนะยเวลาใครที่มารับอิสลามเนี่ยต้องมีคนคอยกำกับดูแลเพราะไม่รู้ว่าดําเนินชีวิตวันเนี่ยเขาจะทำอะไรพลาดบ้างพอเดินเดินผ่านแผงหวยโอ้ยเลขสวยเลขพึ่งดิงมาเอ้ยไม่ได้ไม่ได้อิสลามห้ามถ้าไม่มีคนประกบก็ซื้อเรียบร้อยแล้วได้เหรกมาแล้วแบ่งด้แบ่งเราด้ว ย, วยเห็นไหมอันนี้พี่น้องไม่ต้องห่วงนะอัลลอฮ์จะส่งคนมาแทนให้ ใครที่ออกไปจัดศา ส, สนาอัลลอฮ์ะจะส่งคนมาแทนและคนที่มีคุณภาพด้วยอยู uh ่ให้บูนอาหูอาดิลและตินอาเลนมุมีนีนคนแบบเนี้ยที่จริงกับอัลลอฮ์นี่นะเขาจะนอบน้อมกับผู้ศรัทธาอาดิลล่ะอะไรที่ที่มีเรื่องกับผู้ศรัทธาเนี่ยมีอะไรจ้ะอ๋อรออยู่ กถมายังยังไม่มานะพอดีแหละเนี่ยจบแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องของผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะเอาความเป็นพี่น้องมาใหญ่เสมอและเขายอมกันได้เวลาคุยกันพี่น้องอย่าคุยกันบนอีโก้คุยกันบนอะไรนะตระกูลไม่ใช่ให้คุยกันในฐานะที่เป็นพี่น้องมุสลิมจับมือทะเลาะกันเฮ้ยกูคุยในฐานะเป็นพี่น้องมุสลิมนะเอายศเอาเกียรติยศถอดเอาไว้คุยกันในฐานะที่เป็นบ่าวขอล์รัปเป็นมุสลิม และอะไรที่มันบาดหมางมันจะแก้ไขกันได้แต่ถ้าเอาเอาอะไรนะเอาเอาตำแหน่งหน้าที่เอาเอาตําแหน่งมาอวดคุยไม่รู้เรื่องหรอกอาริสติอาละแกฟิรีนและเขาจะเข้มแข็งกับคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ยอมเอาลุ่มอารวยในเรื่องที่มันผิดหลักการ คนที่เขาไม่ใช่มุสลิมมาชวนไปกินเหล้าเอ้ยไม่เอาอิสลามห้ามเอ้ยแก๋ไม่ต้องกินหรอกเก๋ ก, ก็สั่งโซดาไปที่กินน้ำอารมณ์ไปเห็นไหมเอาอีนแลกมันต่อรองรวมวงหน่อยดิจะได้สนุกไม่ต้องเต้นก็นได้แข้ง โ, โยกขัวแพ้โยกคอพอมันว่าเออเห็นไหมอย่างนี้ต้องหงายซาแปลว่าอะไรไม่เอาไม่ได้ต้องเข้มแข็งไม่ใช่พอเวลากับแขกนะขอโทษที่เชวนไปไงมาสุราไม่ไป ไ, ไปไปงานสุรา ไ, ไปไเหนื่อยแต่เขาชวนไปงานวัดไปงานมีดนตรีแม่แต่งตัวแต่มากระดิบตกลงนี่มันเป็นพวกไหนวะเนี่ทีกับมุสลิมเนี่ยไม่ยอมกันเลยแต่กับคนที่เป็นนอนมุสลิมยอมเขาทุกอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่ใช่นะเจอคนไม่ใช่มุสลิมยิ้มแย้มแจ่มใสเจอมุสลิมกันโกรธกันไม่คุยกันดูไอ้พวกนี้มีไหม ลักษณะแบบนี้เจอคนจีนคนจ็กอลลทักไทยกับพี่น้องยิ้มกันอนจิกเอ้ยแบ่งปันให้ด้วยแต่แขกเนี่ยพวกพวกเดียวกันมุสลิมศรัทธาเหมือนกันไม่ให้มันไส้มัน <c oughs> นี่ตรงกันข้ามนะเดี๋ยวนี้ทวันเนี่ยกับนองมุสลิมเนี่ ย, ยแทบจะกุมเป้าแล้วแต่พอเป็นพอเป็ น, พ อ, ปนพอเป็นมุสลิมไม่ยอมเลยแข็งกระด้างกับมุสลิมยูฮ ah ิดูฟีซาบีนี่แหล และเขาก็จะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ว่าละยาคอฟูเนี่ยเราม่แต่ละอิมและไงต่อและไม่กลัวการตำหนิของผู้ใดมาเชลล์ไม่กลัวการตำหนิของผู้ใดเราเป็นมุสลิมต้องภูมิใจนะฉันเนี่ยไม่เคยอายเลยนะใส่โต๊ะไปเดินห้างเนี่ยไม่เคยอายเชยเนี่ยอาจารย์ใส่โต๊ะผมมีผมรู้สึกมีเกียรติมาก ได้แต่งชุดแบบเนี้ยไว้เขาเนี่ยผมรู้สึกเท่ทเออผมรู้สึกเท่มีความสุขอ่ะไม่ต้องอายนะพี่น้องจะไว้เขาเนี่ยจะอายคนจะแต่งโตบทีจะอายคนต้องใ ส, ส่สูตรเดี๋ยวกลัวเขาว่าต้องไปสนเราไม่ได้แก้ผ่าซะหน่อยหรอเออถ้าจะอายอายพุงนี่แหละพุงยืน่น <laughs> จะละหมาดต้องอายใครไม่ไม่ต้องนะฉันเอาหมดแหละในปงในปั๊มละหมาดหมดแหละแต่ยังไปละหมาดขวางทางเขาละกัน หาที่ดีๆละหมาดเถอะชายคงชาหาดละหมาดมาเลีว้วมันไม่ได้มันจะว่าไในเรื่องของมันมนุษย์เราขอทําอิบาร์ดาขอเลาะเนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาจริงจะปฏิบัติโดยที่ไม่สนใจมนุษย์หน้าไหนขอให้เราได้ปฏิบัติศาสนาจะคุ้มหัวต้องไปอายใครไหมไม่ต้องอายนะไม่ต้องไปกลัวการตําหนิของมนุษย์นั่นแหละคือความปวดปานขอเลาะซึ่งพระองค์จะประทานให้มันประดานอันเนี้ยให้กับบรรดาคนที่ รงทรงประสงค์ถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้นะพี่น้องหนึ่งเรารู้สึกอ่อนโยนกับคนมุสลิมด้วยกันอ่อนน้อมรู้สึกเผื่อแผ่เห็นคนมุสลิมแล้วสงสารอยากจะช่วยเหลืออะไรที่เขาละเมิดแล้วก็ให้อภัยเพราะเขาเป็นมุสลิมอย่าไปเอาอะไรเนื้มุสลิมเหมือนกันเนี่ยทําแบบเนี้มีคนมาฟอ้องย่ะม้าเราเออหลอกพี่ไปทะเลาะอะไรพวกพี่น้องกันทั้งนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าใช่ละและแข็งกล้ากับคนที่เป็นนอนมุสลิมในเรื่องที่เป็นความผิด เขามาชวนเราจะยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องที่ไม่ดีเราต้องยืนหยัดเอาไว้ต้องดุเหมือนกันต้องห้ามเหมือนกันต้องปาลมเหมือนกันถ้าไม่เรื่องที่ถูกต้องและทำอิบาดะโดยที่ไม่ต้องเกงใครไม่ต้องกลัวใครปฏิบัติอิสลามโดยที่ไม่ต้องสนว่าใครจะตำหนิเราแต่งงานนะแต่งงานต้องไปกลัวเลยไหมไม่ต้องไปกลัวถ้าซีนาสิต้องไปกลัวซีนาาี่ต้องต้องอะไรต้องกลัวคนรู้ กลัวรอดลงโทษแต่ถ้าแต่งงานไม่ต้องไปสนใจเราทำถูกต้องฮาลาลนดะอันนี้ตัวอย่างนะอัลลอฮ์บอกว่าซ า, าลิกะฟัดุลลอยยุตีมัยะชะวัลลอหัวซีอุนอาลีมอัลลอฮ์นั้นทรงกว้างขวางและอัลลอฮ์ทรงรอบรู้อินนามาวลียุกุมุลลอห์รอซูลุแท้จริงผู้ที่เป็นมิตรกับพวกเจ้านั้นคืออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เออ ไม่ต้องเอาศัตรูมาเป็นมิตรเอาคนดีเอาคนที่รักอัลลอฮ์คนที่รักเราซูนมาเป็นมิตรและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาดนี่แหละคนที่รักเราจริงต้องคนละหมาดด้วยคนไม่ละหมาดไม่รักเราจริงหรอกนี่น้องรักเพื่อผลประโยชน์และคนที่จ่ใจสกาดและคนที่รอขี่อูนแปลว่าอะไรคนที่นอบน้อมถ่อมตนไม่อวดใหญ่อวดโตหกสบห้าอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงผู้ใดที่ให้อัลลอฮ์ ว่าไม่ยะตะวะละลอใครที่ให้อัลลอใครที่ให้กะรอซุนและบรรดาผู้ที่ปินมิดแล้วไซแน่นอนอลลอนั้นคือพักนั่นคือพักของอลอฮ์ฮิบุลลอฮบลอก็คือพักของลอ AH, เป็นพวกของล AH, เป็นคนของลอ AH, และแน่นอนคือคนที่ได้รับชัยชนะอายะนี้สำคัญเลยนะพีน้องนะกินใจเลยนะ เราจะคบใครรักคนที่เขารักอัลลอ์และเราซูนเอาเป็นมิตรเราและคนนั้นแหละคือรักเราจริงไม่ยากเลยมาดูฮะดิษบทหนึ่งปิดท้ายฮะดิษนี้ดีมากนะครับ<ม>กี่โมงเนี่ย<ม>เกือบแล้วใช่ไหมได้<ม>ละ<ม>นบีบอกว่ารายงานจากอบีซาินนะบอกว่าอามารอนีคอลีลีซุนลัลอฮ์วายและฮิวสันลมบิซบนคนที่ฉันรักก็คือท่านนาบีเนี่ยคอลีลี ได้สั่งใช้ชั้นจิตประการเอาไปใช้มีน้องนะจิตประการหนึ่งอามารอนีบีฮบบิลมาแซกีนวดัวดนวดัดูว ด, ดูนูวีมินฮุมท่านใช้ให้ฉันรักคนที่ขัดสนและเข้าใกล้พวกเขาเราเนี่ยต้องเห็นอกเห็นใจคนยากจนและพยายามไปคุกคีเขาด้วย บางคนเนี่ยขอโทษนะอยู่ใกล้ๆแล้วหม็นสาบคนจนเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ไม่ครบไม่ครบไม่ครบคนจนฉันเน่ยฉันต้องไฮโซเท่านั้นนี่นะบีสั่งให้ไปครบคนจนเออต้องไปครบครบตัวนี้ไม่ใช่ครบเพื่อจะยกตัวเองไม่ใช่นะครบเพื่ออะไรครบคนจนเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อจะช่วยเหลือเขาไงเพื่อจะช่วยเหลือและก็ได้ได้อะไรได้ถมตนเองถ้าเกยครบแต่คนรวยเนี่ยพอวันหนึ่งเดี๋ยวลอย จริงมื่อไหร่อยู่กับพวกคนรวยเนี่ยเดี๋ยวก็รอยแล้วอยู่คนจนบ้างอันนี้พูดอันนี้พูดตัวเองด้วยนะฉันไม่ค่อยชอบพวกไม่ชอบชอบยศชอบอย่างไงชอบชอบอะไรที่มันง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านมีความสุขอยู่กับชาวบ้านเนี่ยมีความสุขนต่พิธีโดยตองไม่ชอบนี่นะแล้วนบีชอบนบีสั่งด้วยนะให้ไปคบกับคนจนว่อามรนีอันอัอัลซรุออิลามันฮุ่ ดูนี่และนบีใช้ให้ฉันมองดูคนที่สถานะด้อยกว่าหมายถึงในเรื่องดุลยาคบคนจนและก็ดูคนนี้เขาแย่กว่าเราเพื่อเราจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์อย่าไปดูคนรวยเยอะพอดูคนรวยเราก็รู้สึกว่าขาดนะในบ้านหลังนี้ใหญ่กว่าฉันบ้านฉันเยอะนะอันนี้ไว้เขาฟันดุลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ดูคนที่บ้านเล็กกว่าเราจะมีความสุขอัลฮัมม์อยู่แล้วบ้านเราใหญ่กว่าแล้วอ้าว แล้วก็บอกว่าเวลาอันซูรออิลามันฮัวฟากีอย่าไปดูคนที่มีสถานะที่สูงกว่าฐานะสูงกว่าเราเพราะไม่งั้นเราก็จะรู้สึกแย่รู้สึกไม่มีอะไรนะลืมขอบคุณอัลลอห์ว่อัมารอนีอันอาซีลารอฮิมาและและนบีก็สั่งให้ฉันติดต่อกับ ว, วงญาติว่าอินอัตาบารัแม้ว่าเขาจะหันหลังก็ตาม เขาเน่ยไม่ค่อยช อ, ชอบคุยกับเราหรอกไปก็ไม่ค่อยตอนรับแต่ฐานะของเราก็คื อ, อยังต้องไปเพราะเขาเป็นญาติเราอยู่ยังก็ต้องไปแหละแต่ไม่ใช่เพราะเวลาอ๋อมันไม่รับเราเราไม่ต้องไปเลยไม่ใช่นะน บ, บีบอกว่าการติดต่อสัมพันธ์คือญาติหมายความว่าเมื่อเขาตัดเราต่อเข้าใจไหมคําว่าต่อเนี่ยหมายถึงอะไรเมื่อเขาตัดเราต้องต่อพยายามต่อไปเรื่อยๆมันจะตัดกี่รอบไม่เป็นได้บาปของมัน เราต่อเข้าไว้เราต่ออย่างเดียวปิดแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวสมมตเขาปิดบ้านเนี่ยมันก็มาให้มันบ่อยๆกันหน่อยเดี๋ยวมันสักวันมันต้องเปิดแหละ <laughs> นี่ความหมายของการติดต่อ <laughs> เราไม่ได้ทําเพื่อคนพี่น้องเราทําเพื่อลอ AH. ไม่สนใจเลย <laughs> เหมือนจะงอ้อเหมือนไม่มีศักดศรีป่ะไม่ใช่หรอก <laughs> พ่ออนบีสั่งให้ตอติดต่อเครือญาติเราก็ทํา ทีเราก็ต้องบอกจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีคำสั่งนี่คุณอยากจะอยากคุยกับมือร็อก <c oughs> นี่อัลลอฮ์สั่งไงอัลลอฮ์สั่งให้ติดต่อเกนี่ฉันก็ต้องทำเนี่ยเพราะล้อสั่งลำพังเกนเนี่ยไ ม, ไม่มีอะไรร็ อ, อก ก, ก็เป็นบาปของเขา <c oughs> มันเป็นบาปของเขา <c oughs> ไปต้อร็อก <c oughs> เราก็ต้องทำดีหาวิธีทำดีเยอะแยะพี่น้องเดี๋ยวนี้ไม่ไดาแปลว่าต้องไปถึงหน้าบ้านนี่ โทรศัพท์ไปหาเข้าไปหาเข้าไปพูดคุยเอาของไปแขวนไว้หน้าบ้านแล้วแต่เยะ่ะแยะซื้อหนังสือฉันให้ไปกระแตในดูอาเนี่ยเนี่ยซื้อหนังสือให้เขาไปแล้วเขียนว่าจากญาติที่รักเธอแ <c oughs> ป๊บเดียวแป๊บเดียวไปไงเอามารองตัวเย็น <c oughs> ไม่กายโยนของฉันหรอกนี่มีมีคุณอานอยูงง่ยังไงมัต้องระวงังไว้บดนทิงเลยวะ <laughs> นะมันมีวิธีเยอะแยะมันยัเป็นเอาไปไปเฝ้าอยู่หน้าบ้านเขารอกส่งไลน์ไปหาสิส่งอะไรไปติดต่อไปเรื่อยติดต่ออยู่แปลความว่าติดต่อ น, นี่คือยังคุยกันยังยั ง, ย, งยังสามารถเชื่อมกันได้อะ่ะถ้าตัาดญาตินี่คือไม่คุยไม่อะไรคือไม่รู้จักกันเลยนะเบอร์ก็ไม่มีที่อยู่ก็ไม่รู้จักเวลามีงานบุญก็ไม่เชิญเนี่ยตัยดญาติแล้ว แต่ถ้ายังไปหามาสู่กันยังติดต่อยังโทรหากันได้ยังพูดคุยนี่ยังแสดงว่ายังเชื่อมสัมพันธ์กันอยู่วะอัมรอนีอัลอาสัลลาฮัดันชัยอาและใช้ให้ศาลมิขอสิ่งใดจะพูดใดไม่ให้ขอให้เกิดตัวเองจนยกเว้นว่าจะจําเป็นนะไม่ให้พึ่งพาอาศัยโดยการการขอเป็นอาชีพแต่ให้ทํามาหากิน และท่านใช้ให้ฉันพูดความจริงแม้ว่ามันจะขมขืนนีไงว่ามารอนีอันอากูละอะฮักก่อว่าอิงกาอันมุรันให้พูดความจริงแม้ว่ามันจะขมก็ตามความจริงบางทีมันขมแต่ก็ต้องพูดทำไมมันขมอ่ะเพราะมันโดนตัวไงมันโดนตัวเองมันโดนญาติมันโดนพี่น้องแต่เราจะไม่พูดก็ไม่ได้แม้ว่ามันจะมีญาติของเราโดนเป็นสิบคนเราก็ต้องพูด แม้กระทั่งตัวเองโดนก็ต้องพูดพูดเอาไว้อย่างน้อยมันก็ได้เตือนตัวเองความจริงต้องพูดว่ามอร์นีอันลาอัคอฟฟี่ลาเรามาตะลีอิมสอนให้กลัวอัลลอฮ์อย่าไปกลัวการตําหนิของมนุษย์มาชาวลออับบีสอนดีนะสอนให้กลัวอัลลอฮ์อย่าไปกลัวการตําหนิของคนคนมันให้บุญให้บาปเราไม่ได้หรอกเรากลัวอัลลอฮ์เราจบไม่ต้องไปกลัวการตําหนิของผู้คน และใช้ให้ฉันกล่าวคําว่าลาเฮาลาว่าลากู้วะาใอินลาบินลาข้อสุดท้ายเพราะอะไรรู้ไหมคํานี้ฟาอินเนมินกกนซินตาตาลาชคือขุมสมบัติที่อยู่ใต้บันลังของลอเราจะได้ขุมสมบัติครั้งสมบัติที่อยู่ใต้บันลังของอลอถ้าเรากล่าวคําว่าลาเฮาลาว่าลากู้ว่าใอินลาบินลาแต่คําเนี้ยพี่น้องมันจะส่งอารมณ์ได้นะ เอออัลฮัม ด, ดลลลลลลุลิลลาห์ subhanallah แล้วก็เลออิลลาห์อิลลอหส ม, มุติเข้าบ้านเข้าไปบ้านเจอภรรยาเราถ้าเราเกล่าวอัลฮัมดุดลิลลาห์ภรรยาเรายิ้มนะถ้าบุตรเข้าไปบ้านเลออิลลาห์อิลลลอห มูจาเลยนะเนี่ยใจว่าเวลาเลือกคําเนี่ยเลือกให้ดีอาจารย์เขาแปลมาคำเนี่ยละอีหลายหนึ่งร้อนเนี่ยคำดีเพราะถึงเห็นหน้าพะยะเลยอีเลยอีหลอดลอาจารย์รับเลือกเถอะอแต่ว่ากล่าวไม่ถูกเวลาเวลาเห็นหน้าพะเลยอัลฮ้ำดูดิละอย่างเงี้ยดีไหมภรรยายิ้มเลย จริงๆไม่มีเราเฉนก็สำนึกถึงอัลลอ์ไปจังหวะบดีไงอันคนลสุพัลลอฮ์เปิดประตูลอิเลยอฮดีเสียงดังไปหน่อยเพราะว่าไอคำเนี่ยมันคือคำบูใช่ไหมบูชาคือบูชาอนีหมายถึงว่าบมดอะไรตายอยางแล้วปงแล้วเออแต่จริงคำดีนะลอยอัลลอฮแลกานึงลละวลากลวตอิเลบิลลอันนี้แบบ เวลามันมันดื้อเยอะๆนะเวลาเห็นหลานมันวิ่งกันคมคํำลาเฮาลาเลากลัวใจลาวินละพอเราเอามาใช้แบบแปลกๆเด้ยนี่แหละใช่แต่จริงคําดีหมดเลยนะลาเราลาเฮาลาเวลากลัวใจลาแต่เรารู้สึกว่าจะเอาไปใช้บางช่วงอ่ะเวลาเสียงอึกทึกขึ้ น, น ค, คมเราทนเราคือรับสถานการณ์ไม่ไหวลาเฮาลาเวลากลัวใจแต่ความหมายดีคืออะไร ไม่มีอำนาจใดๆ ม, มีพลังอะไเว้นแต่อำนาจพลังของล้อก็เป็นการปรงเหมือนกันแหละถ้าเกิดสมมุติมันโค้งขามมาเนี่ยจะทำไงได้อ่ะแลาเขาละเวะลากูจะอินล้บินแล้วอำนาจของล้อเราเป็นมนุษย์ทำอะไรไม่ได้หรอกพังไปพังไปเลยปรงปรงแล้วทำใจได้แล้วลาเขาละเวะลากูแต่อย่าทำนะเวะลาไปถึงเจอหน้าภรรยาน ล, ล้วอีไล่เรายาวนะมูจ้าแบบนี้ภรรยาไม่ให้เข้าบ้าน เออวันนั้นไปสอนไงเนี่ยฉันไม่รู้ทําผิดอะไรอาจารย์อาจารย์เอาที่อาจารย์สอนเลยเนี่ยไปทําหรอกยังไงเจ้ายีเล่าฉันตอนนี้เนี่ยฉันเจอหน้าพาี่อาจารย์แลหวอีลาหลนหล oh, เนี่ยบางก็เลือกคาในสุภาษณ์ oh, น้ำร้อนทำดีละมีต่างหลายคําไม่ใช้มาใช้ลา oh. <c oughs> อีลาหลนหลอ่าแต่จริงก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเหมือนกับอินดา น, านิล้านนั่นแหละฉันเคยสอนอยู่ไหมล่ะ มีดบาทปุ๊บอินนาลินลาเนี่ยคนไม่รู้ก็ น, นึกว่าแช่งฉันตายจริงๆไม่ใช่นะเมื่อเจอบุตรศรีบา้าเราก็กล่าวได้ตลอดนะครับอาใครที่ยังย่าอยากจะได้หนังสือมาซื้อได้นะอันนี้พิมพ์ครั้งที่สองลวสุบฮานะกอลลูฮุม่าอบิฮัมลิก้าอัลสุอัลลาอิลาฮิอิลลอันตาอัสตัฟิรูกะวะตูบิรอัสซัลลัมอัลัยคุมมาระมัตุลลอฮฺบาระกาตุ